ของพ่อจะพูดถึงฟังพิสูจน์ได้ต <c oughs> ามมะคํำสอนของพระเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์อื่นๆเรารู้สึกตัวพิสูจว่ามันเป็นอย่างไรเรารูว่ามันดีหรือมันชั่วมันผิดหรือมันถูก เราลงมมันเป็นอย่างไรมันดีชั่วผิดถูกอย่างไรเ ร, ไเราก็ตอบได้เราก็ตอบได้ไม่ต้องมีคำถามที่ไหนเป็นการประจักษ์แก้แก่ผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติเราไม่ใช่คนโง่ตาสีตาสาหรือว่า อะไรก็ตามรวนแต่ผู้ที่เป็นปัญญาชนมาจากต่างประเทศก็มีแต่ว่าหลายชีวิตที่อยู่ร่วมกันจบปริญญามาก็หลายคนเป็นนายล้อยนายพันก็มีเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็มีเรา ไม่ใช่คนโม่เรามาศึกษาว่ามันผิดถูกอย่างไรหรื ว, ว่าชีวิตของเราที่เป็นปดำบวชเนี่ยมันเป็นอย่างไรไม่ใช่เราคิดคนเดียวเราตัดสินใจคนเดียวมีแบบอย่างเรามาปฏิบัติก็มีแบบอย่างมีเส้นมีสายมีช่องทางมีผู้ที่ ผูย ท, ทางให้พวกเราพราะเราก็ถือว่าสะดวกเป็นการตรวจของพวกเรานะ่ะพระพุทธเจา้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นแบบฉบับเป็นต้นฉบับนอกจากนั้นก็มีเราภาษาวกทั้งหลายทั้งหลายเป็นหมื่นเป็นพันเป็นพันเป็นหมื่น คนดังๆก็มียกคนดังออกบทใช่หมรับพระเจ้าออกกันลาสาลิปุตอนุรทะอุบาลีอาโนนนี่จะคนดัง ๆ, ๆนะดังที่สุดลิกเลวที่สุดจององคุริมานมี ออมาที่ปรับเป็นอันหนึ่งเดียวกันคนตังคนเลวเมื่อมาบวเมื่อศึกษาพระธรรมวินัยแล้วมันเป็นมิตรภาพขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีอะไรที่จะจัดสรรวันนะศิลธรรมวัดปฏิบัติหรือธรรมะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ เราไม่ต้องหลังเลยสงสัยผมก็เคยคิดผมมีลูกมีเมียเหมือนกันที่ออกมาบวชให้มันถูกหรือผิดยังไงทำไมเราต้องคิดจะบวชเราถามพ่อถามแม่ไม่มีพ่อถามแม่แม่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยถามน้องน้องน้องน้อ ง, องก็ไม่ค่อยเห็นด้วยยอมแพ่เราเหลือน้องน้องชาย ยอมแพ้เลยไม่ต้องยอมแพ้หรอกเรามีความสามารถันเนี่ยเมื่อเราเอเรามันคิดผิดไปนะใครๆเพี่น้องก็มาเห็นด้วยเรามันคิดผิดคนเดียวหรือเปล่าถ้าเราคิดผิดเราก็ดูใช่ว่า้างตั้งแต่ศีรษก็ยังออกบวชหลายชีวิตที่ออกบวช มอาางดูปจุบันิอ้าวคนนั่นก็บวชคนนี้นก็บวชแต่มองถึงกองเผ่าเราก็ญาติพี่น้องเอาก็เคยเป็นพระของพ่อใหญ่เราเป็นเด็กเคยไปกราบไปไหว้ตอนที่ท่านมรณาภาพก็เคยไปนอนเฝ้ากับพ่อไปเก็บศพนั่นก็เราก็มีญาติผู้ใหญ่เคยบวชหามุ่งต้อง ไม่ใชเป็นความเร็วทำยิ่งเรามาปฏิบัติทำนะของพ่เทียนมาสอนให้เจ้า ก, าาากู้สร้างแก้วอ้าวเราก็ไปสวดถูตไม่เคยสร้างแก้วะเลยไม่แต่นั่งหลับตาสงบอา้าวเรามันก็ว่มันเคยตาสีตาสาเราก็เคยศึกษามามันกันอยู่ๆจะมาสอนให้เจ้ากู้สร้างเก้วมันผิดถูกอย่างไรเราทําแบบนี้มันดีอย่างไร ทำแบบนั่งสงบต่างกายตรงมือไสา้มือขวาทํำมือไส้กำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธเอาออกจา ก, กนั้นมาทํายกมือสั่งจังหวะเราก็มีสมองเราก็สัมผัสได้สมองของเราสัมผัก ส, สผกับควสมสงบสัมผัสกับความรู้สึกตัวเป็นอย่างไรมันก็ต้องพิสูจน์ห้องพิสูจน์ ห่องกรรมาฐานห้องทดลองเอากายเป็นของทดลองเอาใจเป็นของทดลองเอาสติเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปดู <c oughs> เขาไปศึกษาเอ้ยมันก็ใช่ได้ไหมทำดูทำดูมก็ใช่ได้เหงื่อสึกตัวเหงสึกตัวก็ใช่ได้มันก็ช่วยเราจับหลักจับต้นสายปลายเหตุ จากการศึกษาปฏิบัติทำสิ่งใดเก็ต้องมีความมั่นใจในการกระทําของตนเองบ้างแล้วก็เห็นกับหูกับตาของเราแท้ๆนะไม่ต้องไปคิดไปข้างหน้าไม่ต้องไปคิดคืนข้างหลังไม่ได้เกิดความเชื่อเพราะคบอกเล่าเราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองนี่วิธีที่เราทํานะอย่ามาศรัทธาหลวงพ่ออย่าไปศรัทธาคนนั่นคนนี้ ศรัทธาการกระทําของเราศรัทธาธรรมะที่มีไว้ในลำอนุอวาณนี่มีญาติที่ทำมาจากโน้นโน้นยา่าหล่ามากราบหาลูกพาเมีตอนเขาแต่งงานเราก็ไปเมีเขามีคันตั้งคันก็พาพาเมียมากราบพาลูกอยู่ในคันมากราบหลวงพ่อด้วย แล้วก็เช่าพระหลวงพ่อทวดมาด้วยพอะลูกหลวงพ่อทวดคนพระดังภาคใต้หลวงพ่อทวดอาบน้ำเหยียบน้ำทะเลจืดก็ว่างั้นนะจะกินยังไงก็ไม่รู้เอาลูกหลวงพ่อทวดมาถวายแล้พ่อก็บอกว่าเออหลวงพ่อทวดเป็นพระดังภาคใต้นะสิ่งที่ท่านดังสิ่งที่ท่านมีคุณภาพพระท่านมีธรรมะอ่านปฏิบัติธรรม อันชื่อหลวงพ่อทวดไม่ดีหรอกแต่ว่าคุณธรรมที่มีอยู่ในหลวงพ่อทวดคุณธรรมที่เกิดจู่พระพุทธเจ้าหลงพ่อทวดนํามาปฏิบัติคุณธรรมนั้นนั่นทำให้หลวงพ่อทวดเอดีดทําให้เราเคารพเด็กคนดีไม่ใช่อยู่ยกับหลวงพ่อทวดพวกเราก็ดีได้เนี่ยเอาคุณธรรมนั้นนั่นมาไว้ในเราความดีไม่ใช่มอบให้หลวงพ่อทวดเรามนสิทธิ์ที่จะดีได้ เราไม่เมตตากรุณาเรามีความไม่เบียดเบียนเราไม่สติไม่สัมมชัญญะเราไม่มีทุกข์นี่ยก็มีได้ไม่ใช่หมอไปหลงพอ่อทษหลวงพอ่อยศโสธรหลวงพอ่ออะไรทั้งหมดเลยเอาเหมือนกันพวกเราไม่สติเหมือนกันก็หลวงพอ่อทษไม่เมตตาเหมือนกันก็หลวงพอ่อทษดมีความให้อภัยมีความไม่มีทุกข์ เหมือนกันเรามีสิทธิ์นะไม่ใช่เราดีสิ่งที่พาเราดีคือธรรมะนี่เป็นของที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ทุกคนยอมรับโดยบุตรศรียิ่งศึกษายิ่งศรัทธาคำสอนพุทธเจ้านะยิ่งเอามาไว้ในตัวเราก็ยิ่งดียิ่ง พนภัยยิ่งไม่มีภัยลูดลอปลอลกรูไมีศีลศีลก็ช่วยมีสมาธิสมาธิก็ช่วยมีปัญญาปัญญาก็ช่วยมีเมตตากรุณาอุเบกขาไม่มีทางที่จะตกไปในที่ชั่วผู้มีธรรมผู้ศึกษาธรรมเราก็ต้องศึกษาเราเดินจงกรมเราสร้างจังหวะ แล้ว เ, เก็บเอาความรู้มาอยู่ที่ไหนความรู้อยู่กับตัวเราเราให้โอกาสให้ความรู้เกิดขึ้นเอากายไปสัมผัสเอาจิตไปสัมผัสให้รู้สึกรู้สึกกายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่นั่นในตอนที่เราฝึกขัดบทลำำํานําบทท่องจําของพวกเรา ไม่เคยท่องด้วยปากเอากายไปท่องเอาเอาใจไปท่องเอาท่องจับลำนำําบทท่องจํำลานำําให้มันติดมันเราท่องทางปากท่องทำไมจับตั้งสิบกว่าหน้ามันก็ติดได้บางคนก็เก่งท่องปฏิโมกบงคนก็เก่งท่องหนังสือพระไตปรปิฎกได้หมด นี่ตอนกนก็จํามันปากมันติดมันก็ติดมันก็พูดบางทีตามันก็ติดติดลูกหูมันก็ติดตามันไปท่องจำอะไรมันไใช่มันเป็นอะไรมากภาษาของกิตใจของเราเนี่ยเอาไปท่องกับความรู้สึกตัวเอากายไปท่องอะไรๆก็ลุ้ไววลุ้ไว้อไหว แตวมันท่องมันเคยกันชินามัยเป็นเนนก็ท่องกันเวลามันจะหลับก็บว่กัไปแล้วว่าก็วาดไปในวัญญยุดนักศึกษาไปจากทาั้งทั้งที่บางทีมันก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นพอครัวอาจารย์ก็คือก่เอมเรียกหาแล ว, วก็ว่าวาดไปในวันหุญญตัศตศึไปจากนี่สสีกรณีกิจสี ปัจจัยเครื่องเอาใช้ของบัตถุชนิดเลือกนี้ใชมีสี่อย่างคือปากมันเคยมันก็ว่าไปเออเล่นไม่ได้เล่นนะมันท่องหนังสือมันท่องหนังสือก็ว่าไปจนว่าจําได้ทวนะันเนี่ยเราก็ว่าอจําจติดปากได้หมดในบัญญัติสองรอยยูเกตได้หมดมันติดปาก ตั้งแต่อายุสามสิบสี่ปีหนอสิบห้าปีห น, อ, นอยังติด น, นีแต่ว่ากายกับใจที่มันไปติดความรู้สึกเนี่ยโอ้ดีกว่าปากที่มันไปจําออกมาพูดมันเห็นน้าเห็นเนื้อกันจริงจิสัมผัสเย็นร้อนอองแข็งสัมผัสกับความสุขกับความทุกข์สัมผัสกับความไม่สุขกับความไม่ทุกข์ สัมผัสกับความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสัมผัสกับความไม่ตากรนาสัมผัสกับความให้อภัยสัมผัสกับความมีสติเนี่ยเร่งนอนที่สุด <c oughs> ถอาจะว่านิ่งก็นิ่งแต่แต่ว่านิ่งก็นิ่งเย็นก็เยน็นเย็นใจไม่ใช่จะเย็นกายเย็นใจเนี่ยโอ้มันไม่เหมือนเย็นกาย เย็นกายนี่มันไม่ไม่คงเส้นคงวาบางทีก็อาศัยน้ำยาวิทยาศาสตร์อาศัยลมพัดอาศัยบรรยากาศแต่ว่าเย็นใจไม่ต้องอิ่งอาศัยอะไรเย็นนิ่มนิ่งนงะนก็ไม่ไปที่ไหนหรอกก็อยู่ตรงนั้นนะ กันความรู้สึกตัวนี่นําเราไปหาเราไปก็จะว่าลิขิตชีวิตเราเป็นกรรมที่มันจําแนกไปกรรมที่กรรกระทําจากความรู้สึกตัวมันจําแนกไปหาเราไปไปไหนไปสู่ความหลุดทุนไปสู่วิมุต มันที่จิ้มก็ไได้ไปแล้วแต่ว่ามันเดินไปมันมันไปของมันมันลูกอยู่อดไกลเจ่าข้หลงคิดเข่าข้หลงแคบจะไม่มีนันะ แ, แต่มันได้ลูกสุกตัวแลอวไปของมันแบบลูกไปอัานเราฝึกอ่านเด็กน้อยก็ยังฝึกเลยอ่อพ่อพาฝึกนะ บางทีสังกิงจจะสำเนนเนี่ยอายุเกตขวบได้เป็นพาหันะสังกิจจะสำเนนอ้าวานชายอะหนึ่งเราต้องต้องรีบแก่แก่ใส่ยมแยมแจ่มไสดีใจใ จ, ใจดีเน็มยต็่แต่เด็กศึกแต่นมนมต็มแต่น้อยเน่ยนะใจบริสุทธิ์อื สิ่งที่เราทำเนี่ยม า, มาเถอะมาพิสูจน์ช่วยกันพวกเราเพราะเราก็ขอ่นใจดีมีเพื่อนมีมิตรมีสิ่งที่ศึกษาไม่ไม่ล่มเลวไม่เหลวไหลเป็นสิ่งที่มีเกณฑ์ศาลเรายกมือสร้างจงาังหวะรู้สึกตัวเราเดินจงกรมรู้สึกตัวเราประกอบอันนี้เราทำงานอันนี้ ศึกษาหนี้อันอื่นเป็นเรื่องปีกย่อยเป็นอติลเลกไปในบางโอกาสเรามีงานมีการทําโน่นทำนี่ก็ถือเป็นอติลเลกแต่ว่าการสร้างสตินี่เป็นกรรมของเรามุ่งมั่นให้มุ่งมั่นในจุดนี้เราทำอะไรอยู่กับมุ่งมั่นในสิ่งนี้ จนมันเห็นกระแสนะวันเมื่อวานมันก็เขียนหนังสือ6เล่มต้องส่งภายในวันที่20เพราเขียนไปมันก็เหนื่อยตาตามันเหนื่อยเขียนไปก็นะ่อเราไปนอนหลับตาการนอนหลับตามันก็ยังเห็นหนังสือมันก็ยังเห็นร่อง เห็นใบที่หนึ่งเห็นใบที่สองมันไม่ได้หลับมันก็ยังเห็นสิ่งที่เราจะต้องเขียนอะไรต่างมันยังเห็นลองพอมันหลับตาสบายก็ตื่นขึ้นมามันก็เขียนมันรู้แล้วมันจึงเขียนมันเห็นแล้วมันจึงเขียนหลับตามันก็ยังเห็นมันมันติดอนทําทำเช่นใดมันมีสมาธิมันไม่ได้ล่มเร็วแม้ว่าเราไม่ได้ทามันยัง เป๋าเป็นกระแสอยู่เป็นทางที่มันจะต้องเริ่มดําเนินไปบางคั้งเราทํางานเราเหนื่อยเรานั่งพักแต่ใจเรามันยังอยู่โน่นอยู่กับงานมัไม่ได้ขี้แพ้ไม่ได้วางไม่ได้นี่ไปไหนบางทีเราอาจจะไม่ได้เดินจงกรมบางทีเราอาจจะไม่ได้สร้างจังหวะยกมือเคลื่อนไหว อาจจะไปตำหน่พิษก็จะไปสั่นผักอจะไปจยดเกลนหงตุม่มปวดตาขาพน้ำ <c oughs> ชีวิตประจำวันแต่จิตเย่นก็คือความมีสุกตัวมันเป็นกระแสทาจนมันเป็นกระแสพระอริยบุคคลคือผู้ที่เห็นกระแสแห่งมรรคผลในผ่าน เห็นกระแสเรามันก็ไปเพราะฉะนันแสงสว่างที่เราไปใช้เกิดทาให้เกิดแ ส, ส ง, แดแงสว่างเราก็ไปตามกระแสแห่งแสงสว่างเดินจากกติมาชลาไก่เดินจากชลาไก่ไปกติกระแสแห่งแสงสว่างพาเราไปถ้าเป็นกลางคืนถ้าเป็นกลางวันก็แสงสว่างแห่งดวงตามันก็พาเราไปกระแสแห่งมรรคผลิพัน เพ่งไปเสด็จกว่านี่นเพ่งไปเสด็จกว่าเนี่มันไปมันเห็นอยู่มันไม่มองเห็นความโลภความโกรธความหลงมันไม่มองเห็นกิลนลเลสนะฮะเอาได้กระแสตาผู้ดูชนเนี่ยอาจจะเห็นกระแสไปทางเลยนทางที่เห็นกระแสแห่งอบารยภูมิกว่านี่พัดตกลงไปในบารยภูมิทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่าย อันทำดีเนี่โอ้ยเหมือนกลิ่นโคกขึ้นเขาพอทำชั่วมันกลิ่นโคกลงเขาอันนั้นเป็นกระแสแห่งปุถุชนกระแสแห่งพะระลิรัยเจ้าทำดีมันกลิ่นโคกลงเขาทำชั่วมันกลิ่นโคกขึ้นเขาคนละกระแสกันเราต้องศึกษาฝึกขัดให้มีกระแสถ้าจนได้ที่เขาเรียกว่า กุ ป, ปรธรรมอากุ ป, ปรธรรมคือธรรมที่ไม่เสื่อมทำยังไม่ได้ที่ยังเป็นกุปปรธรรมเป็นธรรมที่เสื่อมได้ต้องเห็นกระแสกระแสแห่งมรรคผลในพานกระแสแห่งใจิกขามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวนะั้นเป็นกระแส เป็นดวงตาเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเป็ น, ล, ปนลูกเป็นล่องเป็นลอยลอยศีลลอยสมาธิลอยปัญญาดำเนินไปเอียงไปสู่ความหลุดพน้นสู่ความพ้นทุกข์ไม่มีวิธีอื่นหรอกตัดประเด็นทั้งหลายลงมาพวกเราอย่ามัวลังเลสงสัยแต่เป็นห่วง บ้านห้องเลือนวันก็มีญาติที่ทำมาจากล้นชะละักข้าพากันมาปฏิบัติชวนญาติมาแต่ญาติก็ยังห่วงลูก่องเมียเมียไล่หนีเมียไล่หนีมาเรายังไม่ยังตัดใจไม่ได้เราจะไปหรือจะอยู่ไปจะไปยังไงจะอยู่ยังไงยังตัดสินใจไม่ได้ มันมีกระแสแบบนั้นเสียบข้คอปอกอกศอกปอกใสเท่าใส่ขาไปยากกระแสแหงม่วงม่วงมานข้องมันติดบางทีเราก็ต้องสู้นะต้องผ่าตัดบางโอกาสต้องผ่าตัดต้องแวกข้อแหกข้อ เราเพิ่มขึ้นพวกเราเนี่ยออกมาบวดมันแหกค้อนะแหกคอกออกม า, ากันโยกี่ก็แหกค้อออกมาพ่อแม่ตามมานกก็แหกค้อมาพ่อแม่ก็ตามมาแค่ไม่นกนะแหกแหกค้อฮะโย ก, กี่นี่พ่อแม่หาลูกสะใภ้ไปทั้งสองคนแหกคออมา นอ ก, กอนี้ก็พ่อแม่อยากให้กลับไปแต่งงานเขาก็ไม่ไปแหกขอ้อเขาก็ก็แหกขอ้อเหมือนกันปอกมันสุก ข, ขาเสื้อผูกคอปลอกปูกศอก บ, บ่วงคนโซเฟ่ก็แหกขอบมาจากฝรั่งเศสอ่นคนโมริตาก็แหกขอบมาจากสิงคโปร์นั่นบวชมาเป็น2ีปีแล้วนะตั้งแต่เป็นสาว น, าน้อย อประดิบธรรมอ่าเพกสุนีมุติตาก็เห็นกันอยู่นี่และพวกเราก็มันก็ดีแล้วที่เรามาเนี่ยอ่าจะถอยหลังไปทำไมต้อบุกหน้าพวก้เราหลอดทองชัยของเราคือวิมุติแห่งความหลุดพ้นนั่นนะโอโ้มันสว่างแล้วนะอ่ะภัยใ น, นก็พอแล้วกลับพระค้องกัน <c oughs>